ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่หลวงปูธิญาณในวันนี้ก่อนคงพูดเรื่องอนัตตลกนสูตรในช่วงที่สามนะคือในช่วงแรกเป็นการแสดงถึงขันห้าเป็นอนัตตาโดยสงให้ผลว่าถ้าขันห้าเป็นอนาตาแล้วขันห้าก็จะไม่พึงเป็นไปเพื่อพาดและสัศทั้งหลายจะพึงได้ในขันห้าจำใจหวางว่าง ขอขันห้ากอนเราจงเป็นอย่างนี้เถิดขอขันห้ากอนเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยแต่เพราะว่าขันห้าเป็นนัตตาขันห้าจึงเป็นไปเพื่อพาดและศาตต์ทั้งหลายจะไม่สามารถได้ในขันห้าทั้งหลายตามใจหวังว่าขอขันห้าก้อนเราจงเป็นอย่างนี้เถิดขอขันห้ากอนเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยเป็นการแสดงถึงการที่ขันทห้าเป็นอนัตตาพอมาช่วงที่สองรับสั่งว่า ลูกบอพิกเสือกทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นจไหนกล่าวโดยสรุปนะฮะการหน้าเที่ยงหรือไม่เที่ยงถึงสุปัญญวัคคก็ตอบว่าไม่เที่ยงพระเจ้าข้าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขด้าวเป็นทุกข์พระเจ้าข้าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเป็นการต้องขวรไม้ที่จะไปะยึดถือว่าขันห้านั้นเป็นของเรา ขานานั้นเป็นเราขานานั้นเป็นตัวเป็นตนของเราปัญญาบาคีก็กราบทูลว่าไม่เป็นการสมควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะจากนั้นรับสั่งว่าดุกอนภิษสูทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละกล่าวโดยสรุปนะฮะคงทรงสแสดงย่อยออกไปเหมือนกัน คือยกรูปเบญนาสัญญาังขานวิญญาณขึ้นมาแสดงทีละข้อการโดยสรุปก็คือว่าขันห้าอย่างใดอย่างหนึ่งที่ปีนาดีก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดีภายในก็ดีภายนอกก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเล็วก็ดีประนี่ก็ดีอยู่อยู่ไกลก็ดีอยู่ใกล้ก็ดี ขัน่าทั้งหมดก็สักแตลว่าันห้าเธอทั้งหลายเพึ่งเห็นด้วยปัญญาด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั้นไม่เป็นเรานั้นไม่ใช่ตัวตนของเราในขันห้านั้นคือรูปคือรูปประขันที่จริงเวลาเราศึกษาในภาคตีิพิส・ดานเนี่ยจะ น, นำรูปสารภาภาพัดขึ้นมาศึกษา แล้วก็ย่อยรูปออกไปถึง28รูปเป็นหมาพูตรูปคือดินน้ำลงไฟแล้วก็เป็นอุปาถายจะรูปอีก24รวมแล้วเป็น28รูปเหล่านั้นแหละยังขยายออกไปเป็นอดีตเป็นอนาคตเป็นปัจจุบันเป็นภายในเป็นภายนอกเป็นยาเป็นละเอียดเป็นเลวเป็นประณีตเป็นอยู่ไกลอยู่ใกล้ตามปกติเรามักมีความรู้สึกว่า สิ่งนั้นเป็นของเราสิ่งนั้นเป็นเราสิ่งนั้นเป็นตัวเป็นตนของเรานั้นความรู้สึกพื้นฐานรู้สึกที่เป็นปกติเนี่ยแต่ว่าปัญจวคีีท่านมาเข้าถึงจุดที่เรียกว่าไม่เป็นการสมควรที่จะไปยึดถืออย่างนั้นแล้วแต่ว่าใจมนุษย์เนี่ยให้ลองสังเกตว่า เมื่ราผิดหวังในจุดหนึ่งเราจะคว้าในจุดหนึ่งผิดหวังในจุดหน่งจะคว้าในจุดหนึ่งผิดหวังในจุดหน่งจะคว้าในจุดหนึ่งตำหนองใกล้ๆกับว่าเราเข้าไปในศวนต้องการจะเก็บกินผลไม้เก็บขึ้นมาไม่ถูกปากก็ทิ้งขายทิ้งเก็บขึ้นมาไม่ถูกปากขายทิ้งไม่ถูกปากขายทิ้งก็กินไปเรื่อยๆลองไปได้เรื่อย ในขณะที่คายทิ้งอย่างหนึ่งมันก็หวังอีกอย่างหนึ่งอันนี้ไม่อร่อยต่อไปน่าจะร่อยเพราะแม่ร่อยอีกอันหนึ่งอาจจะร่อยอันนี้ไม่อร่อยอันหนึ่งอาจจะร่อยมันก็ไปของมั น, นอย่างนั้นแหละใจมันก็ถูกฉุดกระชากลากถูไปตามกระแสของอารมณ์ที่ใจกำหนดอาจจะ เ, ออเรื่อง ในปัจจุบันนั้นไม่ใช่ของเราจริงไม่ใช่เป็นเราจริงไม่ใช่เป็นตัวของตนของเราจริงแต่เป็นอดีตแหละอาจจะยึดถือในอดีตว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นตวัวเป็นตนของเราก็ได้พราอเห็นว่าอาดีตมันพิสูจน์ตัวมันเองแล้วเพราะว่าไม่ได้ตามเรามาเลยมันดับไปแล้วในอดีตหมดก็ถือว่าปัจจุบันเนี่ยวิกลังเกิดแต่มันเป็นของเราเพราะเราครอบครองเราเห็นเราสัมผัสได้อยู่ทีนี้ พอปัจจุบันแสดงความจริงออกมาชัดเจนเนี่ยใจมันก็คว้าอนาคตกาณาคตก็ต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นของเราจริงต่อไปอาจจะเป็นเราเราอาจจะเป็นจริงต่อไปอาจจะเป็นตัวเป็นตนของเราจริงๆแต่ถ้าเรามองดูให้ดีนะฮะว่ายิ่งอนาคตแล้ยิ่งไม่มีอะไรเหลือเลยเรากำมือมาแต่เราแบมือไปเราไม่มีอะไรเป็นของเราเลยสักอย่าง บางคนก็บิ้งเต้นเป็นใหญ่เป็นโตกันมากมายกายของทุ่มเงินทุ่มทองซื้อยศชื่อซื้อตำแหน่งชือซื้อชั้นกันต่างๆเื่อผลตุท้ายก็ตายเวลาข้าวไปอยู่ในโรงมันก็เล็กกว่าโรงแล้วใครจากที่ไหนก็มาไม่รู้รพวกจับไปเลยก็ทำหักแค่งหากขาได้สบายไม่ได้เกรงอกเกรงใจอะไรเลย ก็แสดงให้เห็นว่าอนาคตเนี่ยถ้าเรามองเรามองจากศพเนี่ยมองจากซากศพที่เราไปเผาก็ได้นะะไปเผาหรือไปฝังสวดก็ได้มองน้อมซากศพมาเรามองเราก็ไปหาซากศพหมายความว่าศพนั้นเนี่ยท่านมีอดีตแต่ว่าอนาคตของท่านเนี่ยก็คือเป็นศพ แล้วก็ต่อไปก็เป็นอนาคตคือไปเกิดใหม่เรานั้นเรามีอยู่ปัจจุบันอนาคตเราก็คือศพมาตายแล้วเราก็ไปเกิดวันตรงนั้นที่จริงศพตรงนั้นน่ะคืออนาคตของเรามันก็เป็นอย่างที่มันเป็นอย่างนั้เพราะเราเองก็จะเป็นอย่างที่เราเป็นเราทำให้เห็นว่ามันไม่มีอะไรเป็นของเราจริงๆ ทีนี้มาดูที่หยาบที่ละเอียดดูอดีตอนาคตดูปัจจุบันดูภายในภายนอกภายในภายในภายนอกนั้นอาจจะดูรูปรูปจากภายในกับรูปเราหรือรูปคนอื่นอาดูหยาบอยาจะเนี้ยดูรูปเรากับรูปคนอื่นตัวอาจจะเรียนรูปคนอื่นแล้วมาดูรูปเราอาจจะเรียนรูปเราแล้วก็น้องก็ไปหาคนอื่น แล้วก็จะมองเห็นเป็นอย่างเดียวกันอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงมองตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์อย่างไม่ได้เสด็จออกโหวดนะพึงลองสังเกตว่าเป็นการมองจากคนอื่นมาหาพระองค์แล้วพออุปมาเทียบเคียงได้เรื่องคือมองเห็นความเป็นหนึ่งอันเดียวกันแล้วเนี่ยมองพระองค์ก็ไปหาคนอื่นก็เห็นเหมือนกันหมดเลย ก็ตกอยู่ในสภาพอย่างเดียวกันคือไม่มีอะไรเป็นของเราจริงๆไม่มีเราไม่ได้เป็นอะไรจริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นตัวเป็นตนอะไรที่ยั่งยืนถาวรจริงๆมันก็มองได้สองร่า ง, อ ส, องสองระดับนะระดับนี้เป็นการพูดระดับวิปัสสนากรรมฐานเป็นการเข้าถึงความจริงระดับญาณ น, นะ เนการเข้าถึงความจริงระดับยานซึ่งที่จริงก็ไม่ได้เข้าถึงได้ง่ายแต่เราก็มองระดับของสมมติบัญญัติย่างที่พูดไวในวันก่อนว่าเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกชะไหนจะมาเมื่อเปล่าเจ้าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปมือเปล่ามันจเจ้ามานั้นเป็นการแสดงความจริงความจริงที่แท้จริง แต่ในขณะเดียวกันในระดับของวัฏฏามีกุศลคือกุศลที่เรายัางมุนบนอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยมันก็มีเพียงแต่ต้นทุนบุญกุศลแสดงว่ามีบาปกับมีบุญที่เป็นต้นทุนที่จะติดตามเราไปในสัมราระพวภายภาคหน้าได้ผลตมองระดับสมมติบัญญัติปัจจุบันนั้นเป็นเรื่องที่เรารับผิดชอบได้ บาปบุญในอดีตมันก็มีเท่าที่มันมีอะ่ะมีมากหรือมีน้อยก็ไม่รู้ว่ามีเท่านั้นเนี่ยไม่ได้เพิ่มได้ลดแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราสามารถเพิ่มบุญได้ถึงมันไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนก็ตามแต่มันติดตามตนไปได้ระดับหนึ่งคือมันเป็นยานพาหนะที่ส่งเราไปสู่มรรคผลนิพพานได้ก็ อ, อยู่ในชั้นก็เรียกว่าตกแต่งภพชาติได้มีความประนีตมากยิ่งขึ้น คำสอนตรงนี้เป็นการสอนระดับปิปัสนาญาณ น, นะฮะเราเห็นว่าดูทั้งหยาบทั้งละเอียดออยกตัวอย่างเช่นที่พระพุทธเจ้าท่งนิรมิตภาพผู้หญิงสวยให้หลายท่านนะฮะเจนผนางเขมาพนางรูปปนนันธาพิรูปปันธาพนางนาั น, า น, านทาเนี่ยก็ใช้วิธีเดียวกัน คือท่านเหล่านั้นสาคัญตัวเองว่าสวยสุดยอดที่ไม่มีใครทัดเทียมได้เดยวก็หลงไหลในความสวยงามแห่งสรีระร่างกายของตนเองวิจารณทรงนิมิตรูปผู้หญิงที่สวยกว่าหมายความเมื่อก่อนในท่านมองเห็นว่ารูปของท่านนั้นละเอียดประณีตเด้วก็ดูให้ที่ประณีตกว่าละเอียดกว่าประณีตกว่า แล้วให้เรียนจากรูปที่ละเอียดกว่าบันนี่กว่าเนี่ยว่ามันตกอยู่ในกฎของประไตรลักษ์โดยทรงบันดาลโดยพุทธานุภาพให้ภาพของผู้หญิงนั้นเนี่ยแก่ในเวลารวดเร็วมากไปจากอายุสิบห้าสิบหกจนถึงร้อยยี่สิบเนี่ยเป็นด้วยระยะเวลาที่สั้นมากบนรูปที่ปกกันนี่กับรูปที่ละเอียดมันกลายเป็นรูปยาม กลายเป็นรูปพิกลพิการกลายเป็นรูปหน้ารังเกียจหน้าเวทนาสงสารน่าสลดทุดถูกโดยเสร็จแล้วพระเจ้าก็สอนให้ท่านเหล่านั้นแนี่น้อมจิตเข้ามาหาตนเองว่าเราเองก็ต้องเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมชาติมันต้องเป็นอย่างนั้นไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ เอวังธรมโมเอวังภาวีเอวังอนัตติโตธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้สภาวะมันเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ใจอาจจะไขว้คว้าไปารูปอย่างอื่นแต่ท่านก็พระเจา้าก็ทรงแสดงมารูปที่ไกลรูปที่ใกล้มันก็คือกันมาตาเพาเดียวกันทั้งหมดเลยเพราะงั้นรูปจะเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกอย่าละเอียดเลอะประนีอยู่ไกลอยู่ใกล้เนี่ย เอาจริงๆมันสักแต่ว่าเป็นรูปพอมาย่อยออกไปแล้วก็ไม่มีรูปมันสักแต่ว่าเวทนาพอย่อยไปก็ไม่มีเวทนาสักแต่ว่าสัญญาสัญญาพอย่อยก็ไม่มีสัญญาเราลองสังเกตว่าเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยทั้งนั้นเลยเช่นรูปปะเนี่ยมันเกิดมาจากปัจจัยที่เป็นรูปธรรมนามธรรมดังกล่ า, าวเวทนามันเป็นกระบวนการทางจิต ซึ่งเกิดขึ้นมาจากเราเมียยตนะภายในเราเมียยตาณภ า, ายนอกยะตนะภายในภายนอกมาไปจบกันก็เรียกว่าวิญญาณที่จะขู่วิญญาณเป็นต้นเนี่ยแล้วทั้งสามประการเนี้ยเราก็เรียกว่าสัมผัสทั้งสามประการนี้มาประจบกันเราเรียกว่าสัมผัสจากนั้นก็เกิดเวทนาเวทนานั้นเราปรุงเอาเองเราปรุงเราเองเป็นสุกตามเป็นทุขกขตามไม่จะทุกไม่จะสุกตามเราก็ปรุงเอาเอง เวทนาจึงไม่มีความเป็นสากลไม่ได้หมายความว่าทุกคนเห็นรูปแล้วก็สวยเหมือนกันมันไม่ได้มีความรู้สึกว่าสวยเหมือนกันทุกคนเห็นรูปเราจะเป็นสุขทุกคนเห็นรูปเราจะเป็นทุกข์ทุกคนเห็นรูปเราจะเฉยเฉยเหมือนกันหมดเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนะไม่มีในที่ไหนๆเพราะจริงๆมันก็เป็นมายาเป็นมายาที่ปรุงคิดคิดปรุงขึ้นมาภายในใจตัวเองดังนั้น ท่านก็สอนให้มองให้ทานลูกเข้าไปในส่วนที่มาผสมกันของเวทนาทนีสัญญาเองก็เหมือนกันสัญญาเองเราจะเห็นว่าอายตนะภายในอายตนะภายนอกมาประจบ ก, กันก็กลายเป็นวิญญาณแล้วก็อาศัยธรรมสามอย่างนี้มาผสมกันก็กลายเป็นสัมผัสอาศัยสัมผัสเนี่ยกลายเป็นเวทนา พระเวทนาน้องนั่นก็เป็นสัญญาคือความจำก็แสดงว่าสัญญานั้นมันอยู่ที่เราจำเอาจำไม่ดีก็ได้จำไม่ดีก็ได้ก็แล้วแต่คนพูดบางคนเนี่ยคนหนึ่งก็ฟังแล้วก็ชอบใจก็แสดงว่าจำไว้ในทางที่ดีคนหนึ่งพูดเราก็เกิดไม่ชอบใจก็จจำไว้ในทางที่ไม่ดีก็แสดงว่าสัญญาจะ จำดีหรือไม่ดีที่ออกมาเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่เราปรุงคิดคิดปรุงขึ้นมันไม่ได้อยู่ที่ตัวสิ่งที่เราจำเพราะสิ่งที่เราจำนั้นที่จริงมันก็มีความสากลแต่ว่าปัญญาที่เกิดขึ้นภายในจิตของบุคคลในขณะนั้นนั้นมันต่างกันจึงทำให้รู้เห็นสิ่งเหล่านั้นไม่เหมือนกัน เพราะฉสงสอนใ้เห็นว่ามันสักแต่ว่ารูปสักแต่ว่าเวทนาสักแต่ว่าสัญญาสังขารเองก็สักแต่ว่าสังขารปุกุศลน่รทำอกุศลน่รทำอภิญากตะทำเอาก็จริงมันก็ตกอยู่ในกฎไม่เที่ยงเพือนกันนะฮะไม่เที่ยงเป็นทุกขเวนตาเราสังเกตเราจะเกิดเมตตาบ้างเกิดกรุณาบ้างเกิดขี้เกียจบ้างเกิดขยันบ้างเกิดศรัทธาบ้างเกิดไม่เชื่อบ้างนะเกิดสติบ้างเกิดเผือเรอบ้างเกิดสมาธิบ้างเกิดฟุ้งซ่านบ้าง เกิดความรู้บ้างเกิดความไม่รู้บ้างอะไรอะไรเนี่ยเกิดแสดงว่ามันก็สักแต่ว่าสังขารเท่านั้นเองวิญญาณเองก็เหมือนกันมันเกิดขึ้นมาจากปัจจัยภายในภายนอกมาประกอบอานจตนะภายในภายนอกมาประจบ ก, กันมันก็เกิดเป็นวิญญาณเป็นจักรวิญญาณเป็นต้นเนี่ยจนถึงมนุวิญญาณเกิด ค, ความรู้ทางใจ ก็ตกลงว่าทั้งหมดนั้นไม่มันเป็นสัจธวรารูปสัจธรรเวทนาสัจธรรสัญญาสัจธรรสังขารสัจธรรวิญญาณแล้วก็ส่งสรุประข้อนี้อันเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่รูปไม่มีรูปของเราจริงจริงไม่มีเวทนาของเราจริงๆไม่มีสัญญาของเราจริงๆไม่มีสังขารของเราจริงๆไม่มีวิญญาณของเราจริงๆ แต่ในแง่สมมติมันก็มีนะฮะในแง่สมมติมันก็มีแต่ถ้าเราเข้าถึงความจริงแล้วมันตกไปจากจิตอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในโลกธรรมสูตรว่าที่จริงลาบยศสรรเสริญสุขเสื่อมลาบเสื่อมยศนิทาทุกเนี่ยมันเกิดขึ้นภายในจิตใจของสามัญชนกับไร้ยาบุคคลเหมือนกันแต่จุดต่างมันอยู่ที่ว่าเวลามันเกิดแก่ร้ยาบุคคลแกสามัญชนเนี่ย สามัญชนมีปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วแต่สิ่งเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไปหน้าตาเนี่ยมันไม่มีความรู้อย่างนั้นเพราะก็จะยึดติดอันนั้นเป็นของเราอั น, นั้นเป็นเราอั น, นั้นเป็นตัวเป็นตนของเร า, าลองสังเกตว่าบางทีเนี่ยมันก็ตลกนะแต่มันก็มีอยู่จริงในชีวิตเนี่ยเช่นสมมติเรานั่งเครื่องบินก็ดีนั่งรถไฟก็ดีนั่งรถเมล์ก็ดีนะเขาก็าจัดที่นั่งให้ ต้องเอาที่นั่งตรงนั้นได้ด้เพื่นอนจะขอเปลี่ยนก็ไม่ได้เป็นยึดถือเป็นของเราของเราของเราไปเลยทั้งๆที่ในในประเทศไทยเนี่ยนะเครื่องบินมันก็อย่างมากอะไรละกรุงเทพหาดใหญ่ก็ชั่วโมง12นาทีกรุงเทพเชียงใหม่ก็5ที่5นาทีกรุงเทพนครศรีธรรมราชก็ชั่วโมง10นาที เทพสุราชก็ห้าสิบห้านาทีอะไรเนี่ยคือคือคือมันมันที่จริงก็เป็นของเราเราครอบครองนั่งได้แค่ไม่กี่นาทีอนะฮะแต่เราไปอุปทานะ่ะเราไปยึดติดเป็นที่ของเราที่ของเราจะต้องเอาอย่างงาั้นได้จะต้องเอาอย่างนี้ได้ก็ต้องลงว่าคนจัดเขาก็จัดส่งไปงั้นเองที่ตรงไหนบ้างก็ก็จัดท่งไปมันไม่ได้ มีความสลัดสําคัญอะไรถ้าเราจะไปเปลี่ยนแปลงกันเพราะจริงๆมันไม่ใช่ของเรามาตั้งแต่ต้นเป็นของเราที่เราอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเสร็จแล้วเราก็ต้องลงจากเครื่องบินไปลงจากรถไฟไปลงจากรถเมล์ไปก็ไม่มีอะไรเป็นของเราจริงสักอย่างหนึ่งแต่เพราะว่าปัญญาที่รู้เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยมันไม่เกิดซึ่งผิดกับพระยาบุคคลพระยาบุคคลพอ ลาบยอดสรรเสริญสุขหรือเสริมลาบสเสริมยอดินฐาทุกเกิดขึ้นแก่ท่านเนี่ยท่านก็รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแก่ท่านแต่สิ่งเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ดับไปก็ดับไปไม่ใจมันไม่ผูกไม่แพรบไปตามสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านั้นเพราะปัญญาเห็นชอบเนี่ยมันเป็นอะไรล่ะ ในตอนต้นในธรรมจักรวัตนสูตรน่ะมันก็เหมือนกับที่จักขุยานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราเนี่ยแต่ว่าพอดีท่านปัญญาขี่ั้นท่านฝังคือท่านเป็นอนุพุทธะคือรู้ตามเราพุทธเจ้ารู้แต่ว่าอาการมันก็เกิดเหมือนกันเป็นปัญญาเห็นชอบตามความเป็นจริงแล้วอย่างนี้ เอวเมตังยถาผูตังสมัปปัญญายถาตบังก็เรียกสมัปปัญญาคือไม่จับปัญญากับสมปปัญญาปัญญาเทเห็นผิดมันก็มองเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเราแต่ปัญญาเน็นชอบนั้นก็จะมองว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราแล้วก็แม้แตเ่เวทนาสัญญาทังขานวิญญาณก็จะมองโดยนัยยะอย่างเดียวกัน อย่างนั้นก็ทรงแสดงว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกเมื่อพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายในรูปรูปก็ไม่มีอะไรที่น่า ย, ยึดน่าจิตใดย่อมเบื่อหน่ายในเวทนาย่อมเบื่อหน่ายในสัญญาย่อมเบื่อหน่ายในสังขารย่อมเบื่อหน่ายในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายก็จะคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดในจิตก็จะพ้น พอจิตพน้นก็เกิดญาณผุดขึ้นมาว่าเนี่ยเราหลุดค้นแล้วดังนี้อริยสาวกผู้นั้นก็รู้ว่าชาติสิ้นแล้วพระมรรจันได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําได้ทําเสร็จแล้วกิจอื่นอีกเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอันนี้คือลักษณะที่เราจะเห็นว่าจิตใจของพระอราหันต์กับพระพุทธเจ้าเนี่เหมือนกัน แล้วยานที่เกิดปุดขึ้นภายในพระไถยของภายในจิตใจของพระหันเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นภายในพระไท่ของพระพุทธเจ้าเป็นลักษณะของความรู้ที่มันปุดขึ้นโดยจิตใจที่ส ง, งบด้วยพลังขอศินสมาธิปัญญาความรู้ก็เกิดผุดขึ้นว่าชาติคือความเกิดในสิ้นแล้วไม่ต้องเกิดอีกต่อไป ไม่ว่าโดยรูปแบบอย่างไรก็ตามคือไม่ต้องเกิดดีต่อไปแล้วพรหมจรรย์คือการปฏิบัติละชั่วประพฤติดีนะกล่าวโดยสรุปพรหมจรรย์ที่จริงในบาลีท่านจําแนกไว้ทั้งสิบประเภทแต่กล่าวโดยสรุปง่ายๆก็คือละชั่วประพฤติดีก็ไม่มีภารกิจคือไม่มีชั่วที่จะลองละไม่มีดีที่จะทำประพฤติแล้วเพราะว่าดีสมบูรณ์นะความชั่วก็หมดไปอย่างสิ้นเชิงนะ เพราะกิจที่ต้องทำเกี่ยวกับการละชพูพปติของท่านเนี่ยก็ไม่มีอีกต่อไปแล้วกิจอื่นในทํานองเดียวกันก็ไม่มีเพราะโดยหลักการตรงนี้มันจะปรากฏแก่ใจของพระอรหันต์ทั้งหลายเหมือนกันทั้งหมดเพราะตอนสุดท้ายของพระสูตยเนี่ยเราจะเห็นว่าประสูตรตอนต้นๆแต่ น, ต น, นั่นเองที่จะแสดงตอนสุดท้ายาไว้ บางวสูตรก็จบไปเรื่อๆคือรู้กันรู้กันโดยไายว่าต่อไปก็คืออย่างนั้นแหละไม่จําเป็นจะต้องไปเขียนออกมาพระผู้มีพระภาคเจ้าได้สัตว์วสูตรนี้จบลงประญาวิีญก็เพลิดเพลินชื่นชมยินดีในภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็แลเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าสัตว์วยากรอนพาสิทธิ์นี้อยู่ จิตของท่านปัญญาวคีก็หลุดพ้นจากอานสวัสค์ทั้งหลายไม่ถือมัน่นโดยอุปาทานเลยทั้งฝั่งทั้งหลายใต่หลวมพอพุทธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้โดยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญม้อ ง, งามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี